ที่ผ่านไปมันมีสิ่งหนึ่งนะที่เกิดขึ้นเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลานั่นคือความรู้ในความรู้ที่ว่านี่มันไม่ได้หมายถึงเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆเท่านั้นนะจะยังรวมไปถึงความรู้ใหม่ๆนะเกี่ยวกับโลกของเรา เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นความรู้เป็นการค้นพบที่มีคุณค่านะพอที่จะบันทึกไว้ในตำราที่เวลาผ่านไปผ่านไปนะความรู้ที่ถูกพนวกเข้าไปในตำรานี่มันก็มากขึ้นเรื่อยๆตำราที่เราเรียนสมัยที่ยังเด็ก หรือเป็นวัยรุ่นกับตำราที่คนเด๋ยวนี้เขาต้องศึกษาเรียนรู้กันนี่มันเทียบกันไม่ได้เลยนะเพราะว่าความรู้ที่ค้นพบสมัยที่เราเป็นเด็กจบจนมาถึงวันนี้นี่มันเพิ่มพูนขึ้นมากจะเรียกว่าเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเท่ากนะ็ได้ อันนี้เราถึงความรู้นะทางธรรมชาติหรือว่าทางวิทยาศาสตร์มันเพิ่มพูนมากมายอย่าเช่นที่ว่าเราไม่มีทางที่จะศึกษาให้ครบถ้วนได้แต่มันน่าสนใจนะเมื่อประมาณสัก้ยปีที่แล้วเนี่ย มีศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งน้าชาวเยอรมันแต่พูดถึงวิชาที่ตัวเองสอนน ะ, ะเชีเชวชาญก่คือวิชาฟิสิกส์เาว่าในสาขาวิชานี้แทบทุกอย่างถูกค้นพบมาเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เป็นเพียงแค่ช่องว่างที่ ต้องว่าเล็กๆน้อยๆนะที่ต้องมาเติมเต็มผู้หญาณคือว่าเนี่ยสำหรับศาสตราจารย์คนเนี้ยความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์นี่มนุษย์เรารู้เกือบหมดลวเหลือแต่เพียงลายละเอียดเล็กๆน้อยๆ น, นะที่ไม่นานก็จะรู้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราพบเราก็รู้แล้วนะว่าคำพูดของ หรือความเข้าใจของศาสตราจารย์คศาสตราจารย์คนี้มันผิดพลาดมากเพราะในช่วงหลายสิบปีนี่โอ้ยมันมีการค้นพบใหม่ๆ ม, มากมายแล้วตั้งแต่โดยเฉพาะมีไอสไตล์แล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังตามม า, าเช่นนิวส์บอลอะไรพวกนี้มันทำให้มีการค้นพบ ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์มากมายหลายประการจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ฟิสิกส์นี่มันต้องแยกก็เป็นสาขาย่อยๆมากมายนะฟิสิกส์อนุภาคฟิสิกส์กลศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์าสสารควบแน่นรวมๆฟิสิกส์ควอนตัมว่ามันแยกออกมาเป็นหลายสายมากเลยเพราะความรู้มันเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างมหาศาล ก็กลายเปว่าสิ่งที่ศาสตราจารย์คนนั้นเนี่ยที่ว่าตัวเองรู้เกือบหมดแล้วที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยมันแค่นิดเดียวสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นี่มีอีกเยอะเลยหรือจะพูดว่าสิ่งที่เขาไม่รู้เนี่ยมันมีมากกว่าสิ่งที่เขารู้และที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะ าศาสตาจารย์คนนี้นะเมื่อ150ปีที่แล้วถึงวันนี้เนี่ยในสิ่งที่เรารู้เนี่ยก็เชื่อว่าเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของความจริงทั้งมวลในธรรมชาติในสิ่งที่เราไม่รู้นี่มันยังมีเยอะมากทีเดียวถ้ามันตรงข้ามกับ เมื่อร้สิบปีที่แล้วนะที่นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้เกือบหมดแล้วในเรื่องฟิสิกส์แต่ว่านั่นเป็นความเรียกว่าอะไรเป็นความหลงตนกันนะดูแคลนความจริงของโลกว่ามีเพียงน้อยนิดนะความจริงเนี่ยหรือความรู้ที่ตัวเองยังไม่รู้นี่มันมีมากมาย ที่จริงสิ่งหนึ่งที่จะวัดความเป็นปราดนะก็คือหรือถึงที่เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของปราดน็คือการที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรบ้างหรือการที่ตระหนักว่ามีสิ่งที่ตัวงไม่รู้นี่อีกเยอะเลยอันนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่เป็นปราดก็ได้นะไม่ได้อยู่ที่ว่ารู้มากแค่ไหนแต่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเอไม่รู้นี่มีอีกเยอะ เราเจ้าจึงบอกไงว่าผู้พูดไม่รู้ผู้รู้ไม่พูดนะผู้พูดไม่รู้นะผู้รู้ไม่พูดเพราะว่าคนที่รู้ระดับปราเนี่ยก็จะตระหนักเลยนะว่าไอสิ่งที่ถึงไม่รู้นี่มีเยอะเลยไอสิ่งที่เรารู้นี่มันเป็นแค่ส่วนเสี้ยวของความจริงหรือของความรู้ทั้งมวล แต่มนเราก็จาเป็นต้องเรียนรู้นะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็เพื่อการประกอบอาชีพอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้มีความสุข แต่ว่าไม่ว่าเราจะพยายามเรียนรู้อะไรแค่ไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักคือว่ามันมีความรู้จํานวนมากที่อาจจะมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพในการทำหมากินแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยในการพ้นทุกเท่าไหร่ให้ความรู้ที่ช่วยในการพ้นทุกนี่ ถ้าจะว่าไปแล้วนี่มันมีนิดเดียวนะมีไม่มากหลวงพุทธเจ้านี่เคยตรัสกับพระอนนทนะ์ครั้งหนึ่งพระองค์ก็ประทับอยู่ที่ป่าป่าประดูนะแล้วพระองค์ก็ตรัสถามพระอนนท์ว่าเนี่ยใบไม้ในป่านี้เนี่ยกับใบไม้ในกรมือของพระองค์นีอันไหนมากกว่ากัน พระอานวก็บอกเนี่ยป่าไม้ใบไม้ในป่าประดู่้ายเนี่ยนะมีมากกว่าใบไม้ในกำมือของพระองค์พูะเจ้าก็เลยตัดว่าเนี่ยอาจารย์และก็ฉันนั้นนะความรู้ที่ช่วยในการพ้นทุกเนี่ยที่พระองค์นำมาสอนเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทืยความรู้ทั้งมวล มีอยู่ในโลกนี้รวมทั้งความรู้ที่พระองค์ส่งค้นพบด้วยพระเจา้าเองก็ทรงมีความรู้เยอะนะแต่ว่าความรู้ที่พระองค์นํามาสอนมีน้อยเพราะว่าพระองค์เลือกที่จะถ่ายทอดเฉพาะความรู้ที่ช่วยในการพ้นทุกข์เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรารถนาการพ้นทุกข์เนี่ยนะ เราก็ต้องรู้จักแยกแยกนะนว่าความรู้ใดนนที่มันแค่เป็นสิ่งที่ช่วยประเทิงปัญญาหรือว่าช่วยในการประกอบอาชีพช่วยในการทำมาหากินช่วยในการใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกได้อย่างสะดวกสบายปรับความรู้ชนิดใดที่ช่วยในการพ้นทุกข์ได้ สมัยนี้เนี่ยนะเราก็ต้องมีความรู้นะนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างรวมทั้งการใช้โทรศัพท์มือถือความรู้เกี่ยวกับการโอนเงินทางโทรศัพท์ความรู้เกี่ยวกับซื้อของออนไลน์รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับค้นคว้าหาข้อมูลนะทางอินเทอร์เนต็ตหรือผ่านโทรศัพท์มือถือ สมัยนี้มันก็ถือว่าสำคัญนะความรู้แบบนี้ไม่งั้นเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ในสังคมได้ลำบากเว้นแต่ว่าจะมาเป็นพระนะหรือว่ามาอยู่ในที่ที่เด็กเล่นอย่างที่นี่หรือในป่าแต่ว่า เราก็ต้องไม่ลืมนะความรู้ที่จะช่วยในการพ้นทุกข์ได้ไม่งั้นเนี่ยถ้าว่าเราละทิ้งความรู้ประเภทหลังนะถึงแม้เราจะมีความรู้อย่างอื่นมากมายแต่สุดท้ายก็ตัวไม่รอดนะอย่างที่มีคำคำส ำ, สำนวนหรือภาษิตว่าเนี่ยความรู้ทั่วหมาตัวไม่รอด ความรู้ทั่วหมดตัวไม่รอดที่ว่าตัวไม่รอดเนี่ยนะไม่ได้ไหมายความว่าเอาไปใช้ทํามากินไม่ได้นะเราคนก็มีความรู้มากมายที่ช่วยในการประกอบกิจการงานทำให้นะมีความมั่งมีมีความร่ำรวยมีชื่อเสียงมีสถานนะแน่นอนนะต้องอาศัยความรู้มากมาย ซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการศึกษาในหมหาเทือไรอีกส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการทำงานจากประสบการณ์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าว่าไอ้ความรู้แบบนี้นี่มันจะช่วยเราได้นะในยามเกิดวิกฤตในยามประสบความล้มเหลว หรือว่าสูญเสียของรักสูญเสียคนรักหรือว่าในงยานที่เจ็บป่วยแล้วคนที่เป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เนี่ยแต่ว่าพอเจอวิกฤตในชีวิตก็เสียศูนย์จมอยู่ในความทุกข์โดยบางทีพลัดเข้าไปอยู่ในโลกซึมเศร้า หรือว่าที่ค่าตัวตายก็มีไม่น้อยอ น, นี่แล้วว่าความรู้ทั่วหมดแต่ตัวไม่รอดเพราะว่าความรู้ที่มีเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพในการทำหมากินหรือในการ อ, อยู่ในโลกนี้อย่างราบลื่นตามภาษาชาวโลก แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยรักษาใจประคองจิตนะในเวลาที่เจอความทุกข์เจอความ ผ, ลผลลันผวนปรวนแปรในชีวิตแล้วเราจะเป็นต้องมีความรู้อีกชนิดหนึ่งนะซึ่งจําเป็นมากในในการช่วยพ้นทุกข์มันไม่ใช่แค่ความรู้ทางธรรมนะเพราะว่าคนที่มีความรู้ทางธรรมเนี่ย ถ้ารู้แต่ในระดับหัวสมองเนี่ยถึงเวลาเจอวิกฤเจอความผันผวนป่วนไปในชีวิตเช่นเจอความเจ็บป่วยบางทีก็ตัวไม่รอดนะเพราะมันจะเป็นแค่ความรู้ในระดับปรีชัดแต่ความรู้พื้นฐานที่มันจะช่วยเราได้นะ ก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวมันเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญมากเลยนะที่ช่วยให้พาตัวรอดได้ในยามที่เกิดอุปสรรคในยามที่เกิดความพัดพราดสูญเสียในยามที่เกิดความปนพวนปวนไปในชีวิต ความสึกตัวเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรักษาใจไม่ให้อารมณ์ต่างๆโดยเพราะอารมณ์อกุศลหรือเรื่องลุ่ล้อความทุกข์เนี่ยเข้ามาครอบ ง, งาจิตใจมันก็ธรรมดานะคนเราเนี่ยเวลาเจอความล้มเหลวเจอความพัดพลากสูญเสียเนี่ยมันก็ย่อมเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความขับแค้น เกิดความโกรธเคืองหรือบงทีก็เกิดความท้อแท้สิ้นหวงังแต่ว่าอารมณ์พวกนี้มันจะไม่ลุกลามรุนแรงเถ้าว่าเรามีความสึกตัว้ความสึกตัวนี่มันช่วยทำให้ใจนี่มันหลุดจากอารมณ์พวกนี้หรือว่าสามารถจะดึงจิตออกมาจากความทุกข์ได้แ่ะเป็นความรู้ที่เม่ต้องใช้ความคิดนะ้ความรู้จำนวนมากเนี่ย มันต้องใช้ความคิดนะหรือมันต้องเรียนรู้ผ่านความคิดต้องมีการไตรตรองเช่นความรู้เกี่ยวโควิดเนี่ยนะเราจะรู้เราจะเข้าใจโรคโควิดเราก็ต้องคิดไตรตรองหรือมีความรู้อย่างอื่นมารองรับเช่นว่าความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสแล้วก็เห็นหรือสามารถที่จะคลายควานได้ว่ามัน มาทำร้ายร่างกายเราได้อย่างไรถ้าเราใคร่ครวนด้วยการใช้ความคิดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอ้โควิดนี่มันมันน่ากลัวอย่างไรมันเป็นโทษยังไงต่อร่างกายและเราจะรักษาหรือป้องกันมันได้อย่างไรความรู้แบบนี้มันต้องใช้ความคิดในการพิจารณาใคร่ครวนจนเกิดความเข้าใจหรือแม้กระทั่งความรู้เกี่ยวกับ อริยสัจสเนี่ยหรือความรู้เกี่ยวกับมัคมีองค์8เนี่ยจะเข้าใจได้มันต้องมีการใคร่ครวญ น, นะว่าอริยสัจสีเนี่ยมีลำดับอย่างไรนะทุกโยงไปสู่สมุทัยแล้วเชื่อมโยงกับนิโรธแล้วมาลงที่มัคอย่างไรมันก็ต้องใคร่ครวญทำไมใคร่ครวญไม่ใช่ความคิดนี่ก็ ไม่เข้าใจแล้วมันก็เป็นความรู้ไม่ได้แต่ความรู้ตัวนี่มันไม่ใช้ความคิดเลยนะมันเป็นเรื่องของใจที่รับรู้หรือรู้แบบสดๆนะรู้อะไรนะเริ่มแรกก็รู้หรือเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทใไมรู้ หรือเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยากแนละที่จะมีความรู้ตัวเช่นพอโกโรธก็รู้ว่าโกโรธนะพอหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิดพอเศร้าก็รู้ว่าเศร้าไอ้ตรงนี้มันทำให้จิตเนี่ยเป็นอิสระจากอารมณ์เหล่านั้นได้หรือว่าหลุด จากการคล่องงามงอารมณ์เหล่านั้นก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวตามมามันเป็นความรู้แบบสดๆนะความรู้โดยไม่ต้องผ่านความคิดมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าต้องมาภาคอนนะวันนี้ฉันกำลังโกรธนะฉันกำลังเศร้านะ มันไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันภานเป็นการใช้ความคิดซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่ความรู้ตัวนี่เอ็นเรื่องของการใช้ใจมารับรู้ซึ่งที่จริงพูดถูกแล้วเนี่ยนั่นคือสตินะสะตินี่ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตซึ่งทำหน้าที่ในการรู้รับรู้หรือรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น บางทีท่านก็เปรียบว่าเหมือนกับตาในตาในตาเนื้อก็คือตาสองข้างที่เราใช้รับรู้รูปหรือภาพที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าตาในเนี่ยมันไปมันช่วยทำให้เรารู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นพอรู้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ เกิดความรู้ตัวตามมาหรือทำให้จิตเนี่ยเป็นอิสระจากอารมณ์นั้นเราไม่สามารถจะห้ามไม่ให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับใจของเราได้นะเพราะว่าเราเป็นปุถุชนเวลาเห็นรับรู้ได้ยินเหตุการณ์ต่างๆมันก็ ถ้ามัเป็นการรับรู้สิ่งที่เรียกว่าอนิจฐานลมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจรวมทั้งความคิดหรือความทรงจําที่เจ็บปวดเนี่ยมันก็ย่อมเกิดอารมณ์เดียพราะถ้ากล่าวว่าไม่มีสติในการรับรู้เรียกว่าเนี่ยไม่มีสติเมื่อเกิดผัสสะมันก็ย่อมเกิดอารมณ์แต่ว่าอารมณ์นั้นมัน ครอบ ง, งำใจไม่ได้เมื่อเรามีสติซึ่งช่วยทำให้เกิดความรู้ตัวหรือเมื่อเราเนี่ยรู้ว่ามีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นให้ความรู้ตัวเนี่ยซึ่งมีสติเป็นตัวเกื้อหนุนเนี่ยเป็นความรู้ที่สำคัญมากนะแต่ว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย มันมักจะเกิดขึ้นไม่บ่อยเพราะว่าถูกความหลงครอม ง, งำใจความรู้ตัวความหลงที่มันเป็นปฏิปักษ์กันนะในยามที่เราในยามที่เราหลับเนี่ยเราจะอยู่ในความหลงมากกว่า แต่แม้กระ น, นั่นเวลาเราตื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ตัวไปตลอดนะวันวันหนึ่งเนี่ยในขณะที่เราตื่นเนี่ยอาจจะหลงไปสัก 90% ทั้งทงที่เราตื่นอยู่ตลอดนะแต่ว่าในยาม้วก็ตามที่เราใจเราลอยใจเราฟุง้งใจเราปรุงหรือตกอยู่ในอารมณ์เนี่ยตอนนั้นเรียกว่าหลง ถ้าเราปล่อยให้ใจอยู่ในความหลงนะมันก็อดไม่ได้ที่จะมีความทุกข์ตามมานะเช่นความเครียดความวิตกกังวลความกลัวความรุ่มร้อนความเศร้าแต่เมื่อเรารู้สึกตัวเนี่ยมันจึงจะหลุดจากความทุกข์เหล่านั้นได้จะเราจะมีความสึกตัวได้อย่างไรนะถ้าเราปล่อยใจไปตามสบายมันก็ ง่ายที่จะเข้าไปในความหลงคนเรานี่ถ้าไม่ได้ฝึกนะมันก็จะหลงนะมากกวรู้ตัวและจะทำอะไรได้ถูกนะเช่นขับรถกินข้าวอาบน้ำทำได้ถูกหมดเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะมันอยู่ในความหลงก็คือทำอยังไม่มีสติตอนที่ทำใจลอยแต่ที่ทำได้ถูกเพราะว่ามันทำ เป็นที่สายเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดมีความผิดพลาดขึ้นมาก็อาจจะเกิดเหตุร้ายได้เช่นขับรถแล้วใจลอยบอกว่ามีคนข้ามถนนวิ่งข้ามถนนด้วยความที่ใจลอยก็เลยไม่ทันเบรกก็ไปชนเขา หรือว่าใจลอยขณะที่เลี้ยวโค้งนะโค้งหกักศอกไม่ทันมีสติมันก็ทำให้หกักลดหักโค้งไปเกิดอุบัติเหตุแต่โดยปกติเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะทำอะไรได้ตามปกติไม่มีเหตุร้ายอะไรนะเพราะว่าทำไปตามความเคยชินจะให้รู้นว่า ตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในความหลงซึ่งในยามที่ชีวิตมันราบเรื่อนปกตินะก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรแต่พอเจอเหตุร้ายขึ้นมาเจอความสูญเสียพัดพรากเจอความพันผลแปรปวนก็ปรากว่าตั้งตัวไม่ติดไอ้ตัวหลงเนี่ยนะมันน่ากลัวนะ เพราะว่ามันคอยพยายามช่วยโอกาสที่จะครอบําจิตเราตลอดเวลาแม้ทั้งเวลาเรามาสวมดมนต์เนี่ยนะหรือเรามาปฏิบัติทั้งที่เราตั้งใจว่ามาสวมดมนต์เพื่อให้ใจสงบเพื่อให้ใจสว่างหรือเรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เกิดความสุขตัวนะแต่เราจะพบว่าเนี่ยส่วนใหญ่นะมันหลง ความหลงนี่มันโชว์โอกาศแม้กระทั่งในยามที่เรามาปฏิบัติเพื่อความรู้สึกตัวแต่มก็ยังโวยแต่ก็ยังมาครอบงําจิตเราได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าความรสึกตัวถ้าเราฝึกบ่อยฝึกบ่อยมันก็จะมีกําลังเหนือความหลงและการฝึกเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นว่าจะต้องมามาเดินจงกรมมา สร้างจังหวงมะมาตาลมหายใจที่วัดเราสามารถจะทำที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะฝึกได้ในชีวิตประจาวันทำอะไรก็ทำด้วยความรู้เนือรู้ตัวทำอย่างมีสติเริ่มงต่เก็บที่นอนตื่นนอนขึ้นมาเก็บที่นอนอาบน้าแปรงฟันเราก็ทาด้วยความรู้ึกตัว เวลามันเผลอไปรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเผลอกลับมาความรู้ตัวอย่างแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่เรารู้ว่าหลงหลงนี่มีประโยชน์นะถ้าเรารู้รู้ว่าหลงรู้ว่าใจลอยรู้ว่ากโกรธรู้ว่าหงุดหงิดไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็น ตัวที่เสริมสร้างความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวให้กับจิตใจของเราได้ไม่ต้องไปฝึกความรู้ตัวจากที่ไหนนะฝึกจากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตลอดทั้งวันไม่ต้องฝึกความรู้สึกตัวอย่างไหนฝึกจากตัวห ล, ล, ลงนี่แหละเอาตัวหลงนี่แหละนะมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างตัวรู้ขึ้นมา ว่าเราจะรู้สึกตัวได้เนี่ยมันไม่มีทางอื่นเนาะนอกจากรู้ทุกครั้งที่หลงรู้ทุกครั้งที่เผลอแต่ใหม่ๆกว่ามันจะรู้เนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะหลงไปเยอะแ ล, ล้วเผลอไปมากแล้วลอยไปหลายเรื่องหลายราวเราถึงก้อนมารู้อันนั้นไม่เป็นไรแต่ขอให้เรานะฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะในชีวิตประจําวัน เสร็จแล้วก็พอรู้ตัวเนี่ยก็ให้จดจำความรู้สึกตัวไว้ตอนที่มันรู้ว่าเผลอตอนที่มันรู้ว่าหลงเนี่ยในตอนนั้นแหละนะจำความรู้สึกนั้นเอาไว้เพราะถ้าเราจำความรู้สึกหรือความรู้สึกตัวไว้เนี่ย mm hmm. เวลาเราหลงเนี่ยมันจะเริ่มรู้แล้วนะว่าอ้นี่เรากาลังเผลอแล้วนะ เวลาหลงเนี่ยเราจะถ้าเราจําความรู้สึกตัวได้นี่เราจะไวเราจะรู้ทันได้ไวว่า น, นี่กำลังหลงแล้วเนั้นเราฝึกสร้างความสึกตัวจากความหลงนะรู้ว่าหลงแล้วพอมันหายหลงก็กลับมารู้สึกตัวก็ให้จดจําความรู้สึกนั้นเอาไว้ จดจำไปบ่อยจดจำไปบ่อยเนี่ยมันจะรู้ตัวได้ไวขึน้นจะรู้ตัวได้ไวขึ้นแล้วมันจะหลุดจากอารมณ์ถอนใจออกมาจากอารมณ์นั้นได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วเราจะพบว่าเนี่ยความรู้ชนิดนียมันสำคัญมากเลยว่ามันจะนำพาเราไปสู่ความรู้เกี่ยวกับกายและใจความรู้เกี่ยวกับตัวเราเองรวมทั้งความรู้ว่าทุกเนี่ยเกิดจากอะไร และทำงางใจถึงจะปลอดจากความทุกข์ได้ถ้าเป็นความรู้ที่สามารถจะช่วยเราได้ไม่ว่าในยามสุขหรือในยามทุกข์เป็นสิ่งที่เกื้อกูลเราอย่างแท้จริง